แต่ถ้าเรามีแต่ไปป้ายความผิดให้คนอื่นไปทุกอย่างเนี่ยนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วถ้าเขาเลวเนี่ยเราต้องต้องตกนรกใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเอานี่ก็เพราะคนอื่นเขาเลวอ่ะจะให้เขาดีอยู่ได้ยังไงเอาเนี่ยถ้าคนอื่นเขาเป็นเอจตั้งมากมายคุณต้องเป็นด้วยไหมเอ้าเป็นคนอื่นเขาเป็นมะเร็งตั้งเยอะอ่ะคุณต้องเป็นด้วยไหมเอ้าคนอื่นเขาอดกันเยอะแยะคุณต้องไปอดกับเขาด้วยไหมที่เขาชั่วทําไมต้องไปชั่วแบบเขาล่ะ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 คิดแต่จะแก้ไขคนอื่นแก้ไขรู้ไหมแก้รัฐมนตรีแก้นายกแก่อุ้ยนู่นน่ะแก้บางทีไม่ได้แก้ในประเทศด้วยนะแก่ของชาวต่างประเทศน่าจะไปดูแลประธานาธิปดีต่างประเทศอเองไงนะโอ้มัอะไรจะขนาดนั้นนะใส่แล้วก็อะไรโรคเครียดสิหน้าบวมไปหมดเลยนะเครียดมากทุกมากเพราะอะไรเพราะว่าไปแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ไม่ได้แต่ใจตัวเองเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ยอมแก้คืออะไรความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ยอมแก้จากมโนทูจริตให้เป็น มโนสูตจริตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาไม่ได้ไปกับเราหรอกทั้งดีและชั่วนะบางคนก็ต่างไปบางงันเถอะตอนขาไปก็ไม่มีใครบอกว่าอุ้ยรักกันจริงก็ไม่ได้ว่าแปลว่าต้องตายพร้อมกันอะไรหรอกไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมโดยที่สุดข้าวของเครื่องใช้ ในโลกของข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาคัญเพราะมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรานะีอย่างข้าวของเครื่องใช้สมุดดินสอปากกาหนังสือที่อยู่อาศัยรถรารองเท้าข้าวของทุกอย่างนํามาซึ่งปัญหาหมดเลยนั้นถ้าเราไม่ฉลาดเนี่อลำบากใจแน่ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็ไม่มีความสุขเป็นแน่สําหรับพู้ถึงสารานิยธรรมข้อสาธารณะโคีเนี่ยนะแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้ แบ่งของของเราให้ไปเป็นสาธารณะกับคนอื่นนะอย่าอย่เพลอไปเอาของคนอื่นมาเป็นสาธารณกับของเราเห็นของคนอื่นเหมือนกับของตัวเองก็เลยเอาของคนอื่นมาใช้ซะจนไม่คืนเจ้าของเขาเลยเนี่ยนะเจ้าของเขาซึ่งจะเพื่อนรักขนาดไหนวันหลังเขาก็บ่นอันนี้เอาไปไม่ยอมคืนสักทีนะเป็นต้นเขาเขาก็บ่นแล้วของเราเองบางทีเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเจริญรักของของเราเป็นของสาธารณะเนี่ยทํำยังไงก็บอกว่าศีลวันเตหิสะพระมจารีหิ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 เมือกับว่าเอาคนดีเนี่ยอยากใช้ของโจรไหมเขาไม่ปล้นมาขอแบ่งเขาใช้หน่อยไหมเอาไหมนัม้นคนดีทั้งหลายไม่ขอใช้สิ่งของร่วมกับโจรฉันใดผู้มีศีลก็ไม่ร่วมใช้กับพิสูพผู้ทุศีลฉะนั้นเพราะฉะนั้นพิสูุผู้มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยนะผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติได้อย่างไม่ขาดผู้นี้จะประพฤติอส า, ารานิยธรรมให้ของของใช้ตัวเองเป็นสาธารณะแก่บุคคลอื่น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 เช่นอะไรเช่นว่าภิกษุเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าองค์นี้บำเพ็ญสารานิยธรรมให้แบบไม่มีเหลือแป้งเขาเอามาหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วไปแกล้งตอนเช้าช่วงเช้าก็ยังชัว่วท่านยังได้ไปบินะบาาเอามาอีกตัวเองบางทีกแบบ็นิสัยที่แกล้งนะก็เอามาหมดแต่แล้วก็เขาไม่ได้สันหรอกแต่แล้วตัวเองก็เอามาทิ้งเอามาขว้างเนี่ยนะ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 สารานิยธรรมนี้ต้องปฏิบัติกี่ปีบอกว่าสิบสองปีถ้าให้แบบสาธารณโภคีอย่างนี้ได้สิบสองปีนะต่อไปนี้ก็สบายแล้วจะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่าสิบสองปีและไม่เกินสิบสอปีหลังจากนั้นสบายอย่างเดียวแต่ถ้าภิกษุบำเพ็ญสารานิยธรรมครบปีที่สิบสองหมายคือว่าแม้เกือบเกือบจบเลยว่า ง, งั้นเถอะเกือบสุดท้ายและเกือบสําเร็จแล้ว วางบาตรที่เต็มไว้ด้วยอาหารในโรงฉันแล้วก็ไปส่งน้ําพระสังฆเถระก็ถาม่านั่นบาตรใครก็ตอบว่าบาตรของพระพิสุผู้บําเพ็ญสารานิยธรรมองค์นี้ยต่ปฏิบัติสารานิยธรรมอยู่ผนของอันเนี้ยสาธารณโภคีองคไหนอยากฉันก็ฉันไปเสร็จแล้วพระเถระนั้นก็เอาบาตรนั้นมาแล้วก็แจกจ่ายอาหารในบาตรทั้งหมดแล้วฉันวางไว้แต่บาตรเปล่าไว้ที่นั้น ภิกษุที่บำเพ็ญสารานี้จะทำเห็นบาทเปล่าก็เสียใจยว่าภิกษุทั้งหลายนี่ฉันไม่เหลือเอาไว้ให้เราเลยเสียใจยมากเลยนะน่าจะเห็นใจเราบ้างรู้ว่าเราให้หมดแม้ก็เนื้อน่าจะเหลือให้เราบ้างนะถึงจะให้หมดก็จริงแต่มันก็น่าจะเหลือให้เจ้าของบ้างถ้าคิดอย่างนี้สารานียจะทำแตกคุณธ ร, รมยังไม่พอแปลว่า ค, คุณภาพจิตยังไม่ดีพอต่อต้องบาเพ็ญใหม่นับหนึ่งมาอีกสิบสองปี ถ้าบำเพ็ญตอนอายุ70ไปแล้วทําไงกันเนี่ยนะเขาไม่เป็นไรนะเพราะทําทุกครั้งก็ได้บุญทุกทีไปนะเต็มไม่เต็มก็ช่างเถอะให้ฝึกให้ทําอย่างนี้บ้างอดีแล้วสมัยพุทธการเนี่ยในมีบางองค์ทําแบบนี้อยู่หลังพุ้จการก็มีทํามาไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะที่ศรีลังกาโบราณนี่ก็ทํากันเยอะสารานิยธรรมนี่ท่านบอกว่าเหมือนติทิยปริวัตขาดครั้งหนึ่งแล้วต้องทําใหม่หมดหมายว่าถ้าพลาดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนับหนึ่งใหม่เลย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 ครบอย่างเงี้ยสิบสองปีแล้วเอาบาทไปตั้งไว้องค์ไหนอยากฉันก็ชันนะเดี๋ยวผมไปส่งน้าก่อนเนี่ยกลับมาจากส่งน้าเห็นว่าบาทเปล่าก็บอกกูเราได้ดีแล้วเนาะของของเรานี่เป็นสาธารณะแล้วเนี่ยนะสมความปรารถนาะสมความตั้งใจเพราะใจจริงของเราก็ไม่ได้ต้องการให้ของเป็นของเราแต่ต้องการให้ของทั้งหมดเป็นสาธารณะเห็นของของเราเหมือนกับของคนอื่นทั้งหมดเลยนะถ้าทาใจให้มันสาธารณะได้ขนาดนี้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 ไม่มีควาว่าแม้น้อยอะไรนะน้อยใจทำไมเราเนี่ยกันดานเรื่องนี้เหลือเกินก็ ค, คือไม่มีความน้อยใจมีแต่ดีใจกับเขาไปข้อหนึ่งข้อสองไม่มีความกระนีของที่ตัวเองอยู่ก็ไม่มีจิตใจหงเหนเพราะฉะนั้นพิสูจนนั้นเน่จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยคนทั้งหลายรักและไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยปัจจัยของท่านจะเป็นของที่หาง่ายอ น, นะ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 โดยส่วนตัวแล้วก็ให้ฐานบอกว่าหลังจากนั้นมาท่านไม่เคยเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4เลยเนียตั้งแต่ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาท่านการให้เนี่ยนะโดยเฉพาะการให้ให้ไว้ระดับหนึ่งให้จนระดับหนึ่งเพียงพอแล้วตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าให้ยังไม่พอเนี่ยเดือดร้อนอีกนานมันถ้ายังเดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4ทั้งหลายแหละก็แสดงว่าตัวเองให้ฐานมาไม่ดีให้ทานมายังไม่ไม่พอหรือว่านี่ในที่หนึ่งะในที่สอง ไม่รู้จักพอมันมีสองอย่างนะเขาเรียกว่าให้มาไม่พอกับอย่างที่สองก็คือไม่รู้จักพอก็อาจจะมีเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่ามันพอไม่เป็นเนี่ยนะเป็นกลุ่มทะเลรับได้ไม่อ้นเนะี่ยถ้าอย่างนั้นก็ยากแล้วละ่ะส่วนอา น, นิสงค์ของสารานิยธรรมเดี๋ยวก็คงตอนบ่ายนะจะ ก, กล่าวถึงออา น, นิสงค์ของสารานิยธรรมว่าถ้าประพฤติสารานิยธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วอะไรจะไม่เดือดร้อนอย่างไร